พระธรรมเทศนาแผ่นที่52ลำดับที่ส0บโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่20มิถุนายน2556มีชื่อเรื่องว่าโทษประหารวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบ มิถุนายนพุทธศักราช 2,556 พระทั้งหมดในวัดของเรา38รูปลงมาชั้น29งดชั้น9รูปเนสมมเนน1รูปนาค2ในวัดของเราขณะ น, นี้แล้วก็วันนี้ หลวงพ่อฉันจังหารเสร็จก็คงจะได้ออกไปอุดรเพราะทางข่ายเสรีหลวนนยุทธข่ายของตชดที่เป็นลูกจิตลูกหาองค์หลวงตาลูกจิตรครูบาอาจารย์นิมนต์หลวงพ่อไปกล่าวเรยกว่าไปเทศที่ ค่ายของเขาพณวันนี้หลวงพ่อฉันจะขารเฉิดของจะได้ออกไปแต่ตามไม่จริงก็หลวงพาราลของหลวงพ่อก็พอสมควรลูกหลานคณะศรัทธาญาติโยมเป็นพระนะ่พระเก่าแก่เท่าไหร่เขาก็ยิ่งใช้เหมือนกับพระพระเก่านะพระเก่าเท่าไหร่ยิ่งมีคุณค่า่านะถ้าเขาสร้างมาโดยดี อันนี้ก็พระเก่าถ้าอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยอยู่ในศีลในธรรมอยู่นานเท่าไหร่ก็ยังเป็นที่ยอมรับของคู่คนทั้งหลายเป็นเสียแต่บวชเข้ามาแล้วมาอยู่ในกรอบก็ไม่เป็นที่ยอมรับของคนเพราะว่าประวัติไม่ดีเพราะนั่นให้รักษาประวัติของตนเองเอาไว้เหมือนกัน เมื่ออายุกแก่ขึ้นมาแล้วก็ถึงจะใครจะเคารพไม่เคารพนับถือไม่นับถือเราก็ภาคภูมิใจในตัวของเราเองเพราะเราไม่ได้ทำความชั่วเสียหายในหลักธรรมคำสอนเราเป็นผู้รักเคารพจงรักภักดีในพระธรรมคำสอนของพระพุทธทเจ้าเป็นบุตรที่ดีของพระพุทธทเจ้าเพราะพระพุทธทเจ้า ท่านยอมรับท่านให้ใช้ชนามสกุลของท่านหรือให้ใช้ตระกูลของท่านถ้าใครเข้ามาบวชอยู่ในยูนิฟอร์มนี้แรงผมผมผ้ากาสาวพั์ผ้าห่มเหลืองพระพุทธเจ้าท่านรับว่าเป็นสักกายบุตรพุทธชินนรสเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าหากว่าพวกเราเข้ามาบวชแล้ว อยู่ในยูนิฟอร์มนี่ก็จริงทำถูกสมมติภายนอกปรงศีสะหอมเหลืองแต่ว่าการประพฤติการปฏิบัติของเราไม่อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินัยก็ไม่ใช่ว่าเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าทีเดียวก็ไม่ใช่เหมือนกับข้าพเจ้าเป็นลูกของนายกรนายขอนางค อ, นา ง, อนางงอ้อ แต่พ่อแม่ในี่ดีแสนดีทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติทำประโยชน์ให้กับชุมชนสังคมเป็นที่ยอมรับกันทันน่นนาแต่ลูกเกิดมาแล้วเกเรเกกะละรานไม่อยู่ในกรอบของศีลธรรมจริยธรรมที่ดีไม่อยู่ในโอวาทของพ่อแม่ไม่อยู่ในกฎหมายของบ้านเมือง อันไหนชั่วช้าเสียหายทาหมดสรุปแล้ว ค, คือเป็นคนไม่ดีแล้วพ่อแม่จะนับเนื่องว่าเป็นลูกเต็มปากเต็มคําได้อย่างไรทั้งที่ก็เป็นลูกตัวเองนั่นแหละแต่เป็นลูกเกเรเป็นลูกนอกคอกเป็นลูกที่ไม่อยู่ในโอวาทแต่ถึงจะนับเนื้อว่าเป็นลูกเล็กๆแต่าภายนอกนกไม่อยากจะให้ใครรู้มันกันว่าเป็นลูกของข้า พอถือว่าเป็นลูกของข้าเขาก็จะตราหน้าว่าทำไมลูกของแกแกไม่สอนทำไมทำช่วชา้าลามกทำชั่วช้าเสียหายได้ขนาดนี้สิ่งเหล่านี้พวกเราอยู่ในสถานะอย่างนี้พวกเราเป็นผู้ใหญ่ได้รับการศึกษามานะโดยดีจากพ่อจากแม่จากโรงเรียนจากสถาบันต่างๆ จนได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาจนได้เข้ามาศึกษาในปรหลักพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเป็นผู้รู้ศีลรู้ธรรมเป็นผู้รู้จักดีรู้จักชั่วถึงขนาดนี้แล้วเรายังจะเอาชนะกิเลสความชั่วภายในใจของเราไม่ได้เหรอสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายทบทวนในการเป็นอยู่ของพวกเรา อย่าไปทำตามอำเภอใจอย่าไปทำตามอัธยาใจอย่าไปทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องผิดกฎหมายบ้านเมืองเมื่อทำไปแล้วตนเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังอย่างที่มีข่าวเกี่ยวกาวีาวาวาวาวเดียวนี่เนี่ยพวกเราคงได้ยินแต่หลวงพ่ออยู่ในป่าก็มีคนมาเล่าให้ฟังใครใครก็อยากจะเล่าให้ฟังความชั่วความไม่ดีของประเทศชาติ พอเราอยู่ในชุมชนสังคมกูบาลจานอย่างหลวงพอ่อเป็นพระประ่าพระดงอยู่ในป่าดงพงไพยใครใครได้ยินคำอันไหนมาที่มันดีเขาก็อยากจะพูดให้ฟังสิ่งไหนที่มันไม่ดีเขาก็อยากจะพูดให้ฟังเพราะนั้นเขาก็บรรยายเกี่ยวกับยุกช่วงนี้พ่อค้าใหญ่นายทุนเจ้าของหุ้นลูกน้อง ได้ฆ่าอย่างเนี้ยเขากัดบรรยายหละจะเนยหลวงพ่อได้ยินได้ฟังแล้วก็สลดใจเออลูกหลานไม่ได้คิดถึงอนาคตถ้าคิดถึงอนาคตแล้วจะไม่ทำในสิ่งเหล่านี้และอีกอย่างหนึ่งกฎหมายบ้านเมืองก็เ อ, อื้อคล้ายคล้ายกับว่าถ้าโทษกังโทษตลอดชีวิตอย่างเนี้ยขังไว้ตลอดชีวิต ก่อไม่นานก็ออกมาแล้วอันนี้ก็ทําให้คนทั้งหลายยินดีในการทําความชั่วเพราะเหตุไดถึงยังไงก็ไม่กี่ปีก็ออกมาแล้วแต่ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามีไหมอันใ้พวกเราท่านทั้งหลายก็จะมีอยากจะถามเหมือนกันกระจกเงาของพระพุทธเจ้าในหลักพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า โทษประหารมีไหมาหรับพระมีฮะแต่ไม่ใช่ประหารฆ่าคนให้ตายนะประหารจากคุณงามความดีประหารจากใครฆ่าว่าเหมือนกับ น, นักกีฬาเนี่ยเขามาเล่นกีฬามาเตะฟุตบอลมีคณะกรรมการมีกฎระเบียบแต่นักฟุตบอลเขามาแล้วเกะกะละลานไตะแข่งไต่ขาไตะ ก้านคอของนักฟุตบอลด้วยกันและจะทำยังไงแปลว่าเล่นผิดกฎ ก, ฎกติกาจากนั้นเขาก็ไล่ออกจากวงการแต่ว่าโทษประหารอัปเปหิไม่ให้เล่นอีกต่อไปตลอดชีวิตือคนประเภทอย่างนี้อันนี้เลยหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คงลักษณะอย่างนี้แหละไม่ใช่ประหารทีเดียวแต่ประหารจากคุณงามความดีประหารจากกฎระเบียบ มีเรื่องอะไรไหมเนี่ยหลวงพ่อจะได้สาธกให้ฟังสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่กรุงราชสักยึดก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเข้ามากุงราชคักยพระพุทธองค์ก็ได้ประกาศเผยแผ่เข้ามาในกรุงราชคักยจนเป็นที่ยอมรับของพระเจ้าแผ่นดินคือพระเจ้าพิมพิสารพร้อมขับประสงในกองทุกหมู่เหล่า ในวันนั้นเป็นวันแสดงธรรมที่กรุงราชคฤห์นับถือพระพุทธเจ้านับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งสิบเอ็ดหุ้หดสิบเอดหน้ดจะเป็นเท่าไหร่ท่านก็อธิบายให้ฟังแต่หลวงพ่อก็จำไม่ได้สิบเอ็ดหุหดนั้นเป็นหนึ่งล้านกว่าคนหรือว่าเป็นสิบสิบล้านหลวงพ่อก็จำไม่แม่นตัวนี้ แต่ถึงยังไงก็เป็นคนที่นับถือพระไตรสรนคมมากยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึ่งจนถึงพระโสดาพระสกทาคาพานาคาพระรหัสมีมากที่สุดในวันนั้นแต่ตัวพระเจ้าพิมพ์พิสานเองก็ได้สําเร็จพระโสดาบันยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึ่งจากนั้นพระองค์ก็ได้ขึ้นครองราชแล้วก็ประกาศ เมือนกับนายหลวงประกาศของราชอย่างนั้นแหละพระเจ้านายหลวงบอกเราจะปกครองโดยธรรมให้กับพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าจะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขในการปกครองโดยธรรมลักษณะอย่างนั้นแหละพวกเราไปอ่านดูกันแล้วกันที่พระบรมโชวาทของนายหลวงวันปกครองประเทศชาติชาติไทยเราในพระเจ้าพิมพ์พิสารท่านก็ในเมื่อวันครองราชท่านก็บอกว่า น้ำก็ดีดินก็ดีทรัพยากรภายในแผ่นดินที่ข้าพเจ้าคุ้มครองปกครองอยู่ข้าพเจ้าจะน้อมถวายกับสมณะผู้ทรงศินเป็นผู้มีศินเป็นผู้ทรงศินมาอยู่ในเขตแดนของข้าพเจ้าขอให้ได้ใช้ตามความประสงค์ตามความเหมาะสมในการใช้ทรัพยากรภายในแผ่นดินของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอน้อม ถวายกับสมณะผู้ทรงศีลทั้งหลายทั้งปวงที่มาอยู่ในแผ่นดินของข้าพเจ้าอันนี้คือพระเจ้าแผ่นดินในฉุนทรพฤษหนึ่งที่พระเจ้าพิมพ์ิสารกล่าวในวันของของราชนี่แหละจากนั้นก็จบไปแล้วทีนีน่ต่อมาพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าของเราก็ประกาศเผยแผ่พระธรรมคําสอน จากนั้นก็มีผู้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนามากต่อมากการสร้างเนาสนานะสร้างกุฏิสร้างศาลาที่พักพาอาศัยของพระสงฆ์บางองค์ก็ทำตามช่างตามความถนัดของตนเองผู้ที่ไม่เป็นช่างก็ทำกระตบ๊บกระแตบผู้ที่เป็นช่างก็คิดใหญ่สร้างนู่นสร้างนี้ทำนู่นทำนี้แต่แตอนนีม้มีพระองค์หนึ่ง ต่คงจะเป็นช่างมาก่อนท่านก็บวชเข้ามาแล้วก็สร้างที่พักพาอาศัยสติพักพาอาศัยพ่อสร้างขึ้นมาแล้วก็ขาดไม้พอไปเห็ุไม้ในคลังหลวงคลังหลวงคือเป็นคลังหลวงคือคลังของพระเจ้าแผ่นดินจัดให้เป็นคลังเอาไว้คลังไม้เอาไว้ท่าวเวียงวังตัวไหนจำรูทุดโสม ก็จะได้เอาไม้มาในคลังหลวงเอามาซ่อมแซมบ้านพักพาใสเวียงวังอันนี้ก็คือเป็นเพื่อเตรียมเอาไว้เผื่อพายุอะไรพัดลมอะไรที่มันเกิดสัมรุทุทโฉกกระทานหันก็ต้องมีคลังไม้คลังหินคลังเกล็กอย่างที่นั่นะที่จะใช้ดูแลปกป้องประเทศชาติ ตอนก็ก็มีคลังไม้เป็นประจําอยู่ในกรุงราชคฤห์แต่มันอยู่นอกเมืองตอนี้ก็มีคลังเจ้าของรักษาคลังไม้คือมีสเมียนตราหรือยสเมียนที่ดูแลไม้ไม้เขาออกใดไม้เข้าอะไร ไ, ไ, ไม้ออก อ, อ, อะไรเอาไปใช้จ่ายอะไรลักษณะอย่างนั้นอ่ะถ้าเป็นผู้เฝ้าไม้จากนั้นพระองค์นี้ก็อยากจะได้ไม้มาสร้างศาลาของตนเองทีนี้ มาสร้างที่พักพาอาศัยตนเองก็เลยเข้าไปพูดกับผูรร้รักษาคลังหลวงรักษาคลังไม้อยอมในครั้งอาตามาต้องการไม้เอาไปสร้างที่พักพาอาศัยพอให้ได้ไหมในครั้งก็บอกว่าโอ้ไม้นี่เป็นไม้ไมหลวงไม้คลังถ้าท่านได้พูดกับพระเจ้าแผ่นดินแล้วผู้ที่มีอำนาจสั่งมา ผมก็พร้อมที่จะให้ได้แต่ถ้าว่าไม่มีใครสั่งผมให้ไม่ได้นะครับเพ ผ, ผมเป็นลักปินผู้รักษาเท่านั้นเองพระองค์นั้นก็เลยบอกใช้กุศโลบายใช่ไหมใช้กุศโลบายใช้เลี่ยลี่ยมใช้ชั้นเชิงพูดง่ายๆจะไม่ใช่โกหกแต่ลักษณะใกล้ๆโกหกนั่นแหละการพูดขึ้นมาว่าอาตมาได้รับพระบรมอนุญาตแล้วอ โอ้ท้าว่าท่านได้รับพระมรรมาอนุญาตก็ก็ไม่ว่าอะไรเอาไปได้เอาท่านอยู่ที่ไหนเชิชื่อเอาไว้ลักษณะอย่างนั้นแหละพระองค์เนี่ก็จัดการเชนชื่อรับไม้เอาไปพอเอาไปแล้วก็ยังไม่พออีกมาเอาอีกไม่พออีกมาเอาอีก ม, มันสร้างนะมั น, ม, นมันไปเรื่อยในการก่อสร้างนะสร้างเท่าไหร่ก็ยิ่งสวยงามไปเรื่อยก็ยิ่ง มาเอาไปเรื่อยขนไม้ไปเปรื่อยผลให้ฉุดวันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารท่านก็จะจะซ่อมเวียงวังที่มันจารดท่านก็ได้เดินท่านได้จะเสด็จมามามาเห็นไม้ในคลังบกพร่องเท่เนคงจะไม่ใช่ไม้ลงเลื่อยเหมือนทุกวันนี่เพราะว่าก่อนที่จะได้ไม้มาก็ไม่ใช่ของง่ายฮะแต่ทีท่านไปเห็นมันพร่องจากคลังไม้ท่านก็ถามใน ในครังว่าทำไมไม้ของเราจึงบกพ่องไปเพราะเหตุไรใครเป็นคนเอาไปหรือมีอะไรไหมในครังก็ตอบว่าส ม, มณะสากยบุตรลูกศิษย์ของพระพุทธทเจ้าท่านมาเอาไม้เอาไม้ไปสร้างสกุติศาลาเอา้าให้ท่านได้ยังไงใครเป็นคนอนุญาตท่านบอกว่าพระเจ้าแผ่นดินอนุญาตแล้วก็ผมก็เลยลงรายชื่อลเซ็นเอาไว้เนี่ย ท่านพระเจ้าแผ่นดินเออเราอาจจะมีภารกิจธุรกิจมาก เ, ออเราบริหารจัดการอย่างอื่นออสมองของเราอาจจะเบอร์ก็ได้เราได้อนุญาตเมื่อไหร่นะเราไม่เคยอนุญาตนะฮะพระเจ้าพผ่นดินนึกทบทวนนะพระเจ้าพิมพิสารถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วนี่ต่ก็ น, นึกทบทวน เ, ออเราเหมือนไม่ได้อนุญาตนะอนุญาตที่ไหนออไปเปน็นที่บ์ท่านมาเชิญท่านมาไป จากนั้นก็เขาคนที่มนพระองค์นั้นไปพระเจ้าพิมพ์พิสารก็นั่งไปหาที่ในเวียงวังในบรรลังของท่านเหมือนกับพิพากษาอย่างนั้นนะเขาพระก็เข้าไปบอกว่าพระคุณท่านอที่พระคุณท่านไปเอาไม้ในคลังใช่ไหมจเจริญพรใช่แล้วท่านได้รับอนุญาตอย่างไงผมทราบว่าในายคลังบอกว่า ผมอนุญาตค่ะ ข, ข้าพเจ้าอนุญาตให้ท่านเอาไปแต่โยมก็จําไม่ได้รลอะลึกไม่ได้ว่าได้อนุญาตเมื่อไร่แต่ในใจกมไม่เคยคิดว่าได้อนุญาตนะแต่ว่าโยมมีภาระมากอาจจะหลงลืมก็ได้เพราะนั้นโยมก็อยากจะทบทวนในการาความจําของโยมเหมือนกันโยมอนุญาตเมื่อไหร่ท่านที่ได้รับอนุญาตจาก โยมเนี่ย น, นะเมื่อไหร่จึงได้โขนไม้ไปจนคลังหลวงจนพ่องพระองค์นั้นก็บอกว่าเมื่อพระองค์ขึ้นครองราชวันนั้นน่ะได้ประกาศว่าน้ำดินเกิดขึ้นในแผ่นดินของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอถวายแก่สมณะณพราหมณ์สมณะมมณะผู้ทรงศีลให้ได้ใช้ตามความเหมาะสมอาตมากระจำคำนั้นได้ ทุกสิ่งทุกอย่างภายในแผ่นดินของพระ อ, องค์อาตมาก็คิดว่าพระ อ, องค์อนุญาตแล้วพระเจ้าพิมพิสารท่านก็บอกว่าท่านได้สังเกตคําพูดไหมที่โยมบอกว่าส ม, มณะผู้ทรงศีลอยู่ในแผ่นดินของข้าพเจ้าข้าพเจ้าน้อมถวายส ม, มณะผู้ทรงศีลผูมิฮิลิโอตปะแต่สําหรับพระคุณท่านเนี่ย ที่โย ม, มนะอนุญาตเป็น่วนตัวแสดงว่าไม่มีฮิริคือความละอายไม่มีอดตะปะคือความกลัวต่อบาปแล้วก็มาขนไม้ไปใช้เพียงวัลีหรือชันเชิงเล่เลียมกุสโลโบายเพียงแค่นั้นไม่น่าจะถูกต้องเอาเถอะโยมอนุญาตให้ไม่เป็นโทษแต่ต่อไปอย่าทำถ้าทาเข้าไปแล้วต้องรับโทษ ของแผ่นดินพระเจ้าเป็น พ, พิมพิสานท่านเป็นพระโสดาบันท่านพูดเด็ดขาดแต่เราฟังเลยซึ่งในใจจากนั้นเขาขอท่านเขาปล่อยพระองค์นั้นไปจากนั้นพระองค์นั้นก็ไปพอไปเสร็จแล้วเรื่องมันไม่จบเพียงแค่ด้านเท่นเพราะพระพุทธเจ้ายังไม่ได้บัญญัติวินัยไม่ยังไม่ได้บัญญัติวินยัยชีคค้ขาบทวินัยไม่ยังไม่ได้บัญญัติกฎหมายพูดง่ายๆเพราะยังไม่มีเรื่อง แต่พอมันมีเรื่องขึ้นมาแล้วพระสงฆ์ก็ก็พูดพธ น, นาสนธนากันในที่ต่างๆเอ้ยพระองค์นั้นอยู่วัดนั้นไปเอาไม้ของหลวงมาสร้างกุฏิศาลาของตนเองจนเดือดร้อนถึงพระเจ้าแผ่นดินพระไปเจ้าแผ่นดินได้เรียกเข้าไปพบแล้วก็ไปถามแล้วก็ตอบท่านว่าอย่างนี้แต่นี่คํานั้นก็ดังขึ้นไปเรื่อยๆจน ผลในสุดพระสงฆ์เลยเข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นประธานสงฆ์ที่วัดเปล่าวเวลุวันพระองค์ก็ถามว่าเรื่องราเป็นยังไงเรียกพระองค์นั้นมาพอเรียกพระองค์นั้นมาเสร็จแล้วพระองค์ก็บอกว่าให้ไปเรียกตุลาการนักกฎหมายของบ้านเมืองนี้มาแต่ทั้งพิพากษาทั้งอายการทั้งนักกฎหมายในเมืองนี้ที่เป็นพระ ที่บวชเข้ามาภายแก่ที่เป็นพิพากษาที่เกษียณแล้วเป็นคนแก่แล้วพิพากษาอายการที่รู้กฎหมายของบ้านเมืองมาให้หมดมาไปชุมกันที่เป็นพระเมื่อมาไปชุมพร้อมกันแล้วผู้ตรงก็ถามว่าดูก่อนพระสงฆ์ทั้งหลายผู้คงแกเรียนที่เป็นพิพากษาอายการนักกฎหมายในพื้นที่ ถ้าหากว่าเป็นคนนะขมโมยหรือเอาไม้อย่างที่เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนี่นะจะโทษหนักขนาดไหนจะเป็นโทษอะไรหรือให้อภัยโทษหรือว่าเป็นโทษขนาดไหนพระสงฆ์ตุลาการศาลเหล่านั้นก็บอกว่าถ้าหากว่าตามกฎหมายบ้านเมืองแล้วภิกษุขมโมยสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให โดยราคาเพียงห้ามาสุกโทษประหารโทษหนักนะเพียงเจตนาว่าเป็นขโมยจริงขโมยของเขาจริงเพียงหนึ่งบาทโทษประหารหลวงพ่อมาพิจรารณาดูเดียวนยีโอ้ทำไมกฎหมายจึงเข้มถึงขนาดนั้นขโมยหนึ่งบาทโทษประหารหรือว่าอาจจะคำว่าประหารคํานี้อาจจะจาคุก เข้าคุกเข้าตารางอย่างนั้นหรือเปล่าไม่คงจะไม่ประหารตัดคอทีเดียวมั้งเงินบาทเดียวน่ะเราก็มาพิจารณาดูอีกแล้วมันจะเข้มถึงขนาดนั้นหรือกฎหมายในครั้งนั้นอาจจะเข้าคุกในพระเข้าคุกมันก็ไม่ใช่เรื่องอีกเหมือนกันเหมือนกับเหมือนกับศึกออกไปอ่ะจะไปเข้าคุกทางยูนิฟอร์มได้ยังไงฮะเพราะมันผิดนะ่ะแต่ พระพระองค์ก็บอกว่าเออถ้าเป็นอย่างนั้นวินัยของเราตถาคตก็ควรจะบอกว่าควรจะตั้งวินัยขึ้นมาว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปภิกษุใดก็ตามขาโมยสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้โดยราคาห้ามาสุกต้องปาราชิก ค, คือขาดจากการเป็นพระทันทีถึงใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามขาดจากการเป็นพระโดยเด็ดขาดถึงจะบวชอีก ฉึกออกไปแล้วจะบวชมาก็ไม่เป็นพระเขาไม่เป็นพระตลอดชีวิตแต่ว่าตัดคุณงามความดีเหมือนกับ น, นักฟุตบอลไปเตะก้านคอเขาน่ะเขาใช้ไปแดงอย่างนั้นแหละแปลว่าไปเกิดไปอยู่ในสถานที่ใดก็ไม่เป็นพระไม่เป็นนักฟุตบอลไม่เป็นที่ยอมรับกฎกติกาของโลกเขาเพราะเหตุไรเพราะตัวเองทําผิดกฎกติกาลักษณะอย่างนั้นแหะอันนี้ก็คือปาราชิกของพระในครั้งพุทธกาล ถ้าจะว่าวินัยแข็งไหมเข้มงวดขวดขันไหมก็ควเข้มงวดขวดขันเพราะนั้นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่วันพระพุทธเจ้าใหโอวาทปฏิโมกวันเดือนสามเพท่านว่าอัคตังลุกตังเซโยปัชชาตปติทุกตังกรรมชั่วอย่าทำเสเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำไปแล้วจะทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลัง อย่างที่เห็นไหมนะอย่างทุกวันนี้ที่เข้าคุกเข้าตารางไปแล้วเดือดร้อนไหมแต่เมื่อขณะที่ทําก็ชะใจทำด้วยความชะใจไม่ได้มองใครแต่พออนาคตเข้ามาแล้วทํำยังไงยิ่งจะได้ยินว่าโทษประหารเหมือนสมัยครั้งคนก่อนก็คอตกกระขาอ่อนพยุงปีกนักเลงทั้งหลายไม่มีใครเก่งหรอก ถ้ากรรมชั่วให้ผลแล้วก็ออทุกทางนั้นแหละเพราะนั้นกรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าถึงจะเป็นกรรมชั่วน้อยกรรมชั่วมากก็อย่าทำถ้าคนทำกรรมอายุมากอายุร้อยปีมีแต่สร้างคุณงามความดีตลอดเขาจะมีแต่คุณงามความดีตลอดชีวิตมากขนาดไหนเพราะสังสมแต่คุณงามความดีแต่ถ้าว่าทา ความชั่วกรรมชั่วอายุยืนยาวทําแต่กรรมชั่วทุกวีทุกวันกรรมชั่วนะั้นจะมากขนาดไหนทวีคูณขนาดไหนเพราะชีวิตทั้งชีวิตของเขาทําแต่กรรมชั่วเพราะน้นให้ตรวจตราดูพวกเราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่เราทํากรรมรีและกรรมชั่วมากกว่ากันในชีวิตนี้แต่ละวีแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีจนมาถึงบัดนี้ให้ถ้าเราทํากรรมชั่วมากเราก็ควรจะทบทวนถอย ในสิ่งที่มันคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วนั้นควรจะคิดดีทดําดีพูดดีเมื่อคิดดีทดําดีพูดดีแล้วความดีนั่นแหละจะนําสนองพวกเราไปสู่ความสุขความเจริญในประโลภภายภาคหนาเกิดมาพบใดชาติใดกรรมดีก็จะตามสนองมีแต่ความสุขความเจริญแต่ถ้าใครทํากรรมชั่วแล้วก็อย่างที่ว่านั่นทำกรรมชาตินี้ทํากรรมชั่ว ออกจากในชั่วนะั่นคือเข้าคุกฮ่าออกจากคุกแล้วก็นอนฮ่าพอตายไปแล้วกับเกิดชาติหน้ากับบาปกรรมให้ผลอีกเกิดมาพบหน้าชาติหน้าก็ถูกฆ่าอีกอ่ากว่าจะพ้นกรรมได้มากมายเพราะนั้นกรรมชั่วถ้าคิดดูแล้วให้ดีแล้วอย่าทำจะเลยดีกว่าเมื่อทํากรรมชั่วแล้วกรรมชั่วจะให้ผลตัวเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆกท่านนะกรรมคือการกระทํา ต้องคิดให้ดีอย่าไปทำกรรมที่มันไม่ดีคิดดีทำดีพูดดีนั่นคือกรรมดีคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วนั่นแหะคือกรรมชั่วกรำไม่ดีจะให้ตามสนองทั้งสองฝ่ายอันไหนมากกว่ากันถ้าเราคิดไม่ดีกรรมก็ให้ผลทางไม่ดีอย่างพบนิชาตินี้ก็เถิดถ้าเราขี้เกียจเป็นเด็กเกิดขึ้นมาขี้เกียจเรียนหนังสือเป็นเด็กเกเร ทำแต่สิ่งที่มันไม่ดีแล้วจะเป็นคนดีได้อย่างไรอจะมีเป็นผู้มีความรู้ความฉลาดจะเป็นผู้รอบคอบได้อย่างไรเพราะการกระทำของตัวเองไม่ดีคิดไม่ดีแล้วก็ทําไม่ดีพูดไม่ดีมีแต่ความชั่วอันนี้ปัจจุบันนักกรรมและอนาคตตกรรมที่จะส่งผลไปอีกในอนาคตอีกมากนะเพราะฉะนั้นอย่าจะคิดอย่าพูดอย่าทําในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนะ รับพรอนุโมทนาให้พร